ดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั่นแล้วจะไปะยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็การตาขายคือญาณความรู้ปัญญาความเข้า อ, อกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลําบาก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 อา้าวแก่แกไปไหนก็แก่ไปถูกตาขายที่ ท, ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ย <Yeah. S 2> ตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ย <Yeah. S 2> ก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีก <Yeah. S 2> ไม่เช่นนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้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 ก็มาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่ ป, ปรุงปรางธนาด้วยกันทางนั้นแต่ทําไมมันจึงไม่เป็นไปตามใจหวังนก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวนะังเหล่านั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้ด้วยความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิด ความทุกข์เกิดมาในประเภทหนึ่งอีกยันไปฉังนั้นปฏิทาผิดทุก ข, ขังปรารถนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์น่ะคือความบกพร่องจึงต้องปรารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้ก็ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่องของดีเลสความต้องการถึงนั้นถ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก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 ที่มาเป็นพี้เป็นพายแต่ตัวเองนานมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรไม่เคยเข้าสัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิอืทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้ อ่านถึงเรื่องปัญญาอ่านท่านบัณฑนาอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่เนี่ยอ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อ่านานิพพานเราอ่านกันได้ทั้งนั้นแหละตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานาจริงมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยเพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจรกับมาร น, นั่นน่ เสือรกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามอันเที่ยวฉกเที่ยวักเที่ยป่นเที่ยสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดืดอดร้อนมุ่งม้า ย, ยุ่แล้วได้ชื่อมันจะมาทั้งโคดมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงถก ค, คงลักคงป่นเงืะอยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลส มีกี่ขแขนงได้โมดแต่แล้วก็ไม่ไวายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่ไวายที่กิเลสจะมากอบขวนเราให้รับความยุ่ยากวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วได้แต่ชื่อมักชื่อผลชื่อสวรรคิ์ชื่อนิพพานก็ไม่ไวายที่เราจะเป็นทุกข์พอใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อความถูกต้องงดงามจริงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นทันมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทําจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทําทําอย่างไรจรึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทําเป็นกําหนดพุทโธ ท, ทําโมริสังโฆบุตดก็ตามกําหนดอนาปาระให้ติก็ตามแล้วแต่จริตจิตใจของเราที่ชอบเรานํามามากํากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแสไปเกาะ น, นั้นก่อนนี้ที่นี้ให้เกาะทำคือคําบกรรมภาวนาด้วยความมีส ต, ติตั้งอยู่กับจุดนั้นไม่ยอมให้จิตสายแสยไปน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 ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราหเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิต ด, ด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตมีความสงบเยือบเย็นอยู่ภายในใจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมอย่จิตใจย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอย่างอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุมเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารพิษคิดเอามาเท่าไหร่ก็มาเผาลนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนหนุมบายและสั่มแะสายอยางั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้รู้แต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีที่จะระงับดับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นคือทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบ่นเท่าไหมันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสาเร็จประโยชน์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 พอจิตงสงบแล้วเย็นไปหมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัด น, นี้น่ะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอ ก, นอกจากความเสศสันต์เฉยเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเศรษสันต์เฉยเฉยพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแปลกประหลาดในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นแล้พยายามบําเพ็ญให้มากขึ้นโดยลแบบํำดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิมอยู่ภายในจิตเบิอิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภายในจิตนี้ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ในขณะที่หิวโหวยเราเรามองดูที่ในธาตุถังเรานี่เราเราสังเกตดูก็รู้ในขณะที่ธาตุถังลังหิวโหวยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยเนะพราะความหิวโหวยเราบังคับให้สําคัญถึงนั้นถึงนี้ว่าเป็นอาหารโดยทั้งที่อะไรก็เลยลอยหมดเนี่ยนพออิ่มแล้วมันก็รู้ ว่าอันใดเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อยมันก็รู้อิจใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลามีความกลิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทําถึงเครื่องดื่มอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแหวกคอนเทนไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวอย่างง่ายง่ายอย่างที่เคยเป็นมาอย่างมากเขาคิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใครพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยไทยเดียวนำ ทำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเทียงโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สงควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราไม่เกิดประโยชน์หืนมามายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนดุ้งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจากตัวเอง ม, มีมีอย่างเหนือสลัดไปเสียนานนักปราชญ์ท่านเป็นอย่าง น, านั้นมีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภ า, ายในใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้ว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 ไม่ค่อยฉุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําปิติให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าเขาทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพลวพร้าวพิจารณาอะไรค้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน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 ถ้าเวลาช่วงพิจารณาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอดเป็นทันแล้วคือนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์มาก่อนแล้วแล้วจะส่งผลไปถึงความตายทุกจะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นเรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหมก็แก่ไปด้วยการ น, นั่นแหละถึงก่ต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายขอยงมันว่าแก่ยังไงบ้างเรานี่ทราบแก่ยังไงแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยอทุกข์ ก, ก, ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกขิ่งแก่ขึ้นโดยลาดับลาดับดีไม่ดีแบบขันไปไม่ไหวมันทุกข์มันลำบากมากน่านี่ปัญญาแกเจ็บตายโลกกระท่า น, นี้มันเป็ น, ปนโรคอันนี้เต็นไปด้วยป่าช้ามีช่องไหน พอจะว่าให้เราอยู่โดยภามีความภาสุขสบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องชราข้ามข้าไม่ต้องได้รับความทุกข์ความมาดไม่ต้องล้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพิดไม่เพลินจนเกินเมื่อเกินตัวลืมเมื่อลื ม, ลมตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วย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 เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบเขารับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาตัวตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งต่งหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสำคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายใจิตใจของตนเองที่เรียวบว่ากิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานรู้เท่าทันปัญญาแยกดูให้เห็นดงฐานดงฐานเวลานี้มันเป็นอยู่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 คือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไ ป, บไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภายในกาย ก, ายก็ตามเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นอิปรินามธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเครื่องพิงญปึงอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแก่นสารอันสําคัญก็คือสติปัญญาชักฟอดประดมดับสิ่งที่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 เช่นร่างกายนี้เราจะอยู่อาศาัยได้เพียงเท่านั้นเท่านั้นวันต่อจากนี้ไปเราจะไปอาศาัยอะไรถ้าความดีไม่มีเชื่ออันดีไม่มีภายในจิตแล้วอะไรจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอันใดที่จะเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราที่มีความต้องการอยู่เสมอต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถาานาทั้งนั้นที่อันใดที่พึงปรารถนาของเราก็คือความสุกความถูก <c oughs> จะได้มาด้วยสาเหตุใดถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุแห่งการทําดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความถุกขึ้นมาได้เนี่ย นี่แหละสาเหตุที่จะให้เราได้สร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรรมที่ท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากแล้วก็ทำหลังที่ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กายแสยกไกทถ้ามามาได้ก็มา ด, ด้วยความเชื่อความน้ำใสามาด้วยความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายลำบากแค่ไหนก็มาสละเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจําเป็น เหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้ า, ากว่าเราไม่ได้สละอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนหละอใครจะไม่รกักไม่สงวนชีวิตของตัวเองใครจะไม่รกักไม่สงวนของสมบัติเงินทองของเสียไปแต่ละบาดแต่แ ล, ะละตา่างเชิดาทนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมเราถึงสละได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อแต่พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อตัวเองนี่แหละแล้วก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจานายากลําบากแล้วก็ทําได้ไปได้มาได้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 ไปพบได้ท่านใดหากจะเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกขฐานก็ออยังมีความมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนปนอุตจการมากนักจะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้ี่ความสุขจึงเกิดขึ้นจากความดีเวลานี้เราก็มาสร้างความดีพยายามสร้างให้มากขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีของความดีแล้วนั่นแหละ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 เรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิเป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความล่มจมบริสุทธิ์ต้สมุทรบริสุทธเสมอไปไม่ใช่ความบริสุทธเพื่อความล่มจมเราจะไปล่มจมที่ไหนถ้าเป็นของล่มจมเราก็เกิดมากี่พวกรชาติเราทำไมมาเกิดได้อีกทําไมไม่ล่มจมไปเสียชาตินี้เรามาเกิดได้ทําไมเนี่ยและชาติหน้ามันก็มีอีกเช่นเดียวกันกับชาตินี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้น ท่านขอให้พากั น, นพิจารณาให้บําเพ็ญกิตะภาวนาเป็นสําคัญสร้างกิจของเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่นสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบำเพ็ญกุณงามความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่ทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบครอบ ให้ถูกต้องในงานขึ้นโดยลำดับฉะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การมัเป็นทำจะเป็นค่าสิบต่อน้าที่การงานและผลประโยชน์ทอื่นคุขออยุติธรรมเทศนาเพียงท่านี้